ป่วยกายความป่วยกายความป่วยใจนมันแยกกันไม่ค่อยออกนะสารผลสวนใจเมื่อป่วยกายไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะป่วยใจด้วยความป่วยใจอาจจะเป็นผลจากความป่วยกายหรือเป็นเหตุของความป่วยกายก็ได้ ความเใจจะเป็นผลของความเ่ิกายเช่นเะรเช่นกลัววิตกกังวลโนะมกห ง, งิดหรือม้กทั่กราดเกลีกยวอย่างที่พูดไปเมื่อเชา้าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยอารมณ์เหล่านี้ก็สามารถจะเป็นเหตุให้ป่วยกายก็ได้นะคนที่กังวลมากเนี่ยนะหรือคนที่โกรธมากเนี่ย ก็จะป่วยง่ายก็เพราะว่าคนที่ป่วยคนที่โกรธมากๆเนี่ยโอกาสโรคหัวใจในสองชั่วโมงเนี่ยมากเป็นเรียกว่า80เปอร์ซเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่โกรธ แต่ว่าไอ้ลมหัวใจที่ว่าเนี่ยหรือหัวใจวานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดเหตุก็คือว่าเกิดความจเจ็บปวดด้วยเรื่อ ง, อ ง, อ ง, งในอังกฤษเนี่ยคนที่ไปหาหมอมีถึงหนึ่งในสามนะที่มีความผิดปกติาทางกายปวดบาทีชักนะหรือแม้กทั่งตาบอดแต่หาเหตุ ความผิดปกติทางกายไม่พบหนึ่งในสามนแะสงว่าอะไรเป็นเรื่องจิตคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้สุดกว่าความดันขึ้นเป็นประจำปวดท้องปวดหัวเรือหลังไปหามหมอรู้กี่ครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะว่า หมอเนี่ยไม่สามารถหาความผิดปกติทางทางกายไนดะ้หมอที่เิดถอดใจแล้ววั น, นหมอก็เลยถามคนไข้ว่ า, าไหนคุณช่วยนอปประวัติของคุณให้ฟังหน่อยเธอก็เล่าวาเธอเปนเดกำพรา้าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่แต่เล็กมีในความดูแลของพี่สาวสองคนพอเจอปุ๊พี่สาวเธอมีอาการโกรธมากน หมอก็เลยแนะนำเธอว่าให้เธอให้อภัยที่จามคนไข้ไม่พอใจโกรธว่าหมอแทนที่จะให้ยาให้การรักษาดันมาให้แกทำนั่นทำนี่แกก็เลยหายไปผ่านไปหนึ่งปีแล้วแกหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้สมัยนั้นยังไม่มีอกนเคนไข้บอกว่าหายแล้ว ทำตามที่หมอแนะนํำให้ภายพี่สาอันนี้เห็นเลยนะว่าความโกรธเนี่ยมันทําให้ป่วยได้อันนี้เราว่าความป่วยกายทําให้ถ้าความป่วยใจจะไม่ป่วยกายแต่ความป่วยกายก็สามารถทําให้เกิดความป่วยใจและส่งผลย้อนกลับมาที่กายกครับผมก็แน่คุณหมอปอแม่เคยเล่าว่ามี คนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนผอมซีดไม่มีแรงต้องนอนเปลอมาแพ้คุณหมอตรวจคุณหมอตอนนั้นยังรับราชการอยู่นะยังไม่กเกษียณคุณหมอก็ดูอาการคุยกับคนไข้สักพักแล้วขานไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่เป็นอะไรมากมีพิษยาปักของ ตัวนี้ซีเดี๋ยวให้กินเหล็กนะชารกงวันเย็นเดี๋ยวก็จะดีขึ้นผู้จบก็หันไปที่คนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วก็บอกหมอว่าหมอหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เปลี้นี้แล้ ว, ลวนะเรียวแรนกลับมาเลยหมอยังไม่ทันจะให้ยาเลยคำถามคือว่าทาไม แค่พยาบาทคอเนี่ยยิง่งไม่มีแรง <Okay. S 1> พยายบาทคอมีเดียวใช่ไหมยินยาฉา ย, ยายกราหายแต่สมัยไม่มีแรงเพราะแกไปคิดว่าแกเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นดเคีเมียไม่เป็นโรคตับหรือเปล่าพอแกคิดแบบนี้แกเป็นไงห่อเหียวนะใจมันฟูใจมันแทบเลยตังวลสารพัดเลยไม่มีแรง นี่รัวใจทําให้กายแย่นะความกลัวความวิตกมันเป็นความป่วยใจนะซึ่งเกิดทีแรกเกิดจากการที่ตัวซืีดนะเสร็จแล้วมันก็ไปส่งผลทำให้ไม่มีเรื่องอนี้อีกแล้วเพะั้นเวลาเราพูดถึงความเจ็บป่วยเนี่ยมองข้ามเรื่องของจิตใจไม่ได้เลยไม่ว่าจะในสายในทางสาเหตุหรือว่าเป็นผลกระทบยิ่งคนป่วยระยสุดท้ายมันใกล้ตายเนี่ย ความป่วยใจเนี่ยจะเกิดขึ้นมากเพราะว่าใกล้ตายนะหรือว่าความกลัวนี่นเราต้องต้อจับการดูแลทางกายเราต้องดูแลทางใจด้วยไอ้ถามว่าจะทําอย่างไรนะอันนี้อารมาก็ได้เรียนมาจากผู้เจ้านะผู้เจ้าเนี่ยพรงไปแนะนําคนใกล้ตายในหลายครั้ง เมวอผู้ไปร้านนท่า น, ดานได้ไปนำทางอุบาสกที่ชื่อชีคาวนุนะจนกระทั่งตายแล้วก็ไปดีนยคเป็นนาคาดีไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงแนวทางของพูะเจ้าเนี่ยนะสิ่งนี้ที่ต้องมีนะและพูะเจ้าก็มีอยู่แล้วแต่พมไม่ได้พูดก็คือความเมตาความรัก ยิ่งรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้ยิบดีเลยเพราะาอะไรเพราะว่าคนคนคนใกล้ตายหรือผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเขาจะมีความกลัวบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่กลัวตายนะแต่ว่ากลัวตายคนเดียวตายโดยพิชิไม่มีใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลัวมากตอนกลางคืนกลาคืนก็จะไม่ยอมหลับเพราะถ้าเขาหลับเนี่ยคนที่ดูแล ก, ก็จะหลับด้วยแล้วเกิดเขาตายตอนนั้นเนี่ย ก็เหมือนกับตัวเดียวงนั้นพฤติกรรมคนไข้ประเภทนี้คือจะต้องพยายามเรียกคนดูแลให้ตื่นเสมอปลุกให้ตื่นให้มาทำโน่นทำนี่นะจนบางทีเนี่ยถ้าคนไขน้ถ้าคนดูแลไม่เข้าใจาในเสียศูนนะประสาทกินเลยเนะตำรวจคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นนายตำรวจใหญ่นะแล้วแกก็เป็นมะเร็งมั้ง นอนโรงพยาบาลเชา้าทั้งวันเนี่ยก็จะเรียกเมียมัง่งเรียกลูกมัง่งให้มาให้มาหมุนเตียงบังลิกตัวบ้างกลางคืนก็เอาอีกนะขอนมม้ำบัางหมุนเตียงบั่งลิกตัวซ้ายบ้างพิกเสร็จไม่ทันลยพิกขวายนะเป็นอย่างเงี้ยสองสามอาทิตย์ลูกชายประสติแตกจับคอเสื้อพ่อเขยา่าเจ้ายังไงเจ้ายังไง กูจะบ้าแล้วจริงๆแต่กลัวแต่กลัวคนไข้แต่กลัวแต่แกไม่ยอมรับนะพอคนเราเ็ไม่ยอมรับนี่นะมันก็จะมีอาการแบบนี้อาการเ้ยคนเราถ้ามีความกลัวนี่นะหรือมีความทุกข์เนี่ยความรักเดียว์ยาได้ความรักความเมตตาลูกเนี่ยนะถ้าเกิดกลัว แต่ถ้าอยู่ใกล้แม่ก็จะอบอุ่นหรือว่าถ้าได้การพักเครื่องเนี่ยก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะเชื่อในอนุภาพทชื่อในความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเมตต า, าเนี่ยมันจะช่วยช่วยช่วยผู้ป่วยนะบางครั้งเนี่ยเขาเรียกร้องเขาเรียกร้องความความความรักนะคนป่วยเนี่ยบางทีจริงกันเด็กจึงนะ ยิ่งกว่าเด็กเลยหลวงพ่อก็ตามาหลวงว่องเทนบอกเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้านี่ผู้ใหญ่ที่ยังไม่ป่วยนะถ้าผู้ใหญ่ที่ป่วยแลย้วนี่ยิ่งมันเด็กเลยนะบางทีให้กินข้าวก็อมเป็นผู้ป่วยแนตะ่พ่อแม่บ า, างทีลูกลงคานมากเลยพ่อแม่ให้ให้ข้าวให้พ่อพ่อแม่กินพ่อแม่อม เหมือนตอนเป็นเด็กเลยเหมือนตอนเราเป็นเด็กเลยตอนเราเป็นเด็กเราอมข้าวในชะพอเราโตเราเราดูแลพ่อพ่อก็อมข้าวไมย่ยอมเคี้ยวกินนะาต้องต้องเข้าใจนะแล้วก็ให้เขามั่นใจในความรักที่เรามีให้กับเขาความรักมันแสดงออกทางสีหน้าแววตาน้ำเสียงหรือการสัมผัสการสัมผัสที่อ่อนโยนเนี่ยนะมันช่วยได้ คนเราที่ปรารถนาการสัมผัสส่วนใหญ่นะหรือ ว, ว่าคนป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยชอบอาจารย์แสวงบุญชลวิภาสเนี่ยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่จะทำาฮสปิดเนี่ยที่เปิดสิบสาตุลาเนี่ยน้องสาวเนี่ยอายุหกสิบกว่าเป็นมะเร็งแล้วก็น้องสาวก็ฝึกจิตไว้ดีมากนะก็ไม่เป็นภาระกับคนดูแลมากเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าวันสุดท้ายเนี่ยขอขอไปตายที่โรงพยาบาลนูกถึแย่แล้วขอไปตายที่โรงพยาบาลจะได้ไม่เป็นภาระกับกับลูกซึ่งอยู่คนเดียวระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยแค่ปวดมากเลยนะอาจารย์รองรังเนีปวดมากจำเป็นต้องหยุดรถเพื่อที่ให้ยายาเป็นแคปซูลระงับปวดพออยู่รถเสร็จเนี่ย จารย์สแสวงก็ประ ค, รบระครับประคับประคองกอดน้องให้นั่งในท่าที่จะกินยาได้เป็นการประครับประคองที่อ่อนโยนมากคนไข้เนี่ยนะจูๆพูดขึ้นมาเลยว่า Love แกผู้สังเกตนะ Love can relieve pain and comfort people ความรักสา ม, มารถที่จะบรรเทาปวดและทำให้สุขสบาย เพราะตอนนั้นแกหายปวดเลยเพียงแค่พี่ชายเนะี่ยกอเบาๆอย่างเงี้ยเพียงเพียง เ, เพื่อประคองตัวให้ให้นั่งได้เนี่ยแกหายปวดเลยถึงพูดประโยคนียแค่สัมพันธ์ที่ช่วยได้รวมทั้งการที่มีเวลาให้กับคนไข้มีเวลาเนละมีเวลาที่จะฟังเขาคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีมาเคยบอกว่าปวด ปวดมากเลยแต่หมอพยาบาลสักเวเวลาแกเดินเนี่ยแกเดินเป็นคนปกติวันนึ่งพยาบาลเลยมานั่งคุยกับเธอคุยเปนชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เธอพูดฝ่ายเดียวก็พูดถึงเรื่องสามีและลและและกระร้ก็ลูกชายคือเธอเนี่ยไม่พอใจแล้วก็น้อยใจสองคนนี้ที่ไม่ค่อยดูแลเธอเลยเพยาบาลก็ฟังคล้องที่ความใส่ใจไม่ซักไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาม แล้วก็ไม่ได้คําแนะนําะไรเพราคนไข้เขารู้สึกเลยนะว่าความปวดเขาทุเราลงแสดงว่าความปวดก้อนนึงเนี่ยก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นความปวดเพราะโกรันะคนเราเนี่ยสมาม่ว่าเมื่ช้าพูดเรื่องความกลัวเนี่ยกลัเข็มฉีดยาก็ทําให้ปวดมากขึ้นโกรัก็เหมือนกันก็ทําให้ปวดมากขึ้นแต่ว่าพอพยาบาลได้มามนั่งฟังเธอได้ระบายความปวด ก็ทุเลาลงความโปวกก็เลยเบาลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเมตตาจะช่วยได้ยังไงอันนี้ก็เริ่มต้นนะเข้าสู่การปฏิบัติตามแนวทางพูะเจ้าพูะเจ้าเวลาแนะนำคนใกล้ตายเนี่ยพูะเจ้าก็จะน้อมให้เขาคิดถึงพระตรรมกายหรือให้เขาให้เขาเนี่ยเกิดศรัทธาในพระธรรมยนะ รวมทั้งความดีที่เขาได้ทำที่ที่เรียกว่าอริยการตรสีนีคือสีที่พา อ, อริยชจ้าสารเส ร, เริยพูดง่ายคือความดนะีคนเราเนี่ยพอเราเรารู้ถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยจิตใจมันจะอิ่มเออรินะ่มมันจะมีผลต่อต่ อ, ต, อต่อร่างกายคุณยายคานหนึ่งนะแก แกเป็นมะเร็งแแกก็ปวดมากที่ที่ที่ที่ท้องนะ่ะที่กระเพาะแกก็ร้องครางนะพยาบาลมาถึงพยาบาลแทนที่จะถามว่าแกปวดกีนน่คะแนนปกติหมอพยาบาลก็จะมีเพียนสกอร์คะแนนความปวดสูงถึงสิบแต่พยาบาลนี้ไม่แปลกแกไม่ถามว่าปวดนนกี่คะแนนแตถามว่ายายชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทําอะไรมีความสุขมากที่สุด แกตอบหลอกพระหลือยายยายจำได้ไหมยายวันนั้นเนี่ยใส่เสื้อเสียอะไรนุ่ผ้าเสียอะไรเหตุการณ์พามาสืา่อตเพียงจําได้พืค่คนที่สามเนี่ย้เรื่องการหลอกพระนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นมันเป็นบุญมากโรงพาบาลเราชวนคุยคุยประมาณสิบี่สิบนา ท, ทีคุยเสร็จแกก็พูดขึมาเลยหมอหมอมเรียกโรงพยาบาลหมอปแปลงนะมันหายปวดไปเยอะเลย นะความปวดหายไปเลยหรือทุเลาไปมากเลยเมื่อแกได้นด้ถึงการหล่อพระไ ด, ได้ถึงบุญได้นึกถึงพระธรรมพระสงค์ทําไมความปวดถึงหายส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราแกลืมปวดนะเราเนี่ยนะคนเราในบางทีถ้าเราอ่านหนังสืออยู่เนะี่มียุงมากัดเราอาจจะไม่รู้สึกปวดเลยใช่เพราะใจเราไปอยู่กับหนังสือ เราเกิดเป็นว่าตอนยังหนุ่มยังสาอยังเด็กยังวัยรุ่นเนี่ยนั่งหลังขนลังแข่งทั้งคืนเลยจนโตลูกไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะว่าใจมันไปจดจ่ออยู่กับไพ่ในมือนะเล่นรำนิ่ทั้งคืนปวดนะขาแต่ไม่รู้สึกเพราะใจมันไปอยู่กับไพ่ให้ลืมปวดนะให้ ล, ลืมปวดจะเป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ป้าเราก็เหมือนกันแกลืมปวด แต่ว่าป้านี่ก็เลยป้ามีมากกว่า น, นั้นเพราะว่าไอ้ยายเนี่ยเพราะวาเวลาแกพูดถึงหลออพระเนี่ยศรัทธามันเกิดศรัทธามันถูกปลุกขึ้นมาพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาทําให้เกิดปราโมทปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติอิ่เอิบใจปิติทําให้เกิดปสัสสธิความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขนะ พอทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมาปลุกปุกศรัทธาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดสุกตามมาแล้วสุขที่นี่ไม่ใช่สุขใจนะมันสุกกายด้วยเพราะว่าอย่างนี้เขาพบแล้วว่าเวลาใจเนี่ยมันเกิดความเกิดศรัทธาหรือว่าเกิดสมาธิเนี่ยหรือเกิดความมั่นใจในบางอย่างเกิดความมั่นใจในยาที่ให้เนี่ยหรือมั่นใจมากขในตัวหมอนะมันจะมีการสมองมันจะลัง สารที่ที่เครื่อมีโรลทอนสมิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทประเภทโดพามีนเอนโดฟีนอะไรเนี่ยเซโรโทนินซึ่งมันช่วยระงับปวดได้นะมันไปช่วยสลายสัญญาณความปวดที่เส้นประสาทมันส่งมานะไม่ว่าจากกระเพาะหรือว่าจากตรงไหนก็ตามเพราะเนี่ยมันมันมันมันไม่ใช่แค่อุปทานนะมันหายปวดหรือมันปวดความปวดทางการผเทา พยายา ม, มนะพยายามชวนเขานึกถึงคนสิ่งที่เขาศรัทธานับถือแต่ถ้าเขาไม่ไมเขาเป็นคนไกลวัดนะก็อาจจะชวนเขาเระลึกนึกถึงความดีที่เขาได้ทำสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะเขาทำความดีอะไรมาชวนเขาพูดนะหรือคุยกับเขาเรื่องนะั้นคุณปู่คนหนึงนะแกเป็นมะเร็งลำไส้สองเดือนสุดท้ายนี่แก สามเดือนสุดท้ายเนี่ยแกจะปวดมากช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ยแกจะแกจแกปวดม า, จากจนต้องเข้าเข้าเข้าโรงพยาบาลอยู่ประจําเข้าเข้าออกเนี่ยเดือนสุดท้ายเนี่ยมีหลานคนนึงเรียนจบกําลังรองงานก็เลยมาเฝ้าไข้เฝ้าไข้ทุกวันนะแล้วหลานก็นี้แทนที่จะมานั่งดูโทรทัศน์อ่านหนังสือปล่อยคนไข้บางใจก็นั่งชวนคุย ให้คุณปู่แกเล่าเรื่องประวัติเล่าเรื่องามาเป็นมาของแกเล่าเรื่องชืวีวของแกแกก็เล่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่สมัยที่แกเป็นเป็นหนุ่มนะแกเคยไปเป็นทหารไปร่วมรบในสงครามรลกที่หนึ่งเมือนกันที่ผมนะนี่มันปีเนี้ร้อยปีพอดีสงครามรลกที่หนึ่งตอนนั้นไทยชนะนะกลับมาก็ก็แกภาคภูมิใจรับราชกายก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวจน ลูกหลานพึ่งพาตนได้มีงานทำที่มั่นคงแกคุยแกก็มีความสุขตอนน่อหลังก็เลยคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปล่อยวางแกก็เลยทำใจได้แกก็เลยรูปเรียกลูกหลานมาแล้วก็สั่งเสี็จแล้วแกก็ไปตอนที่แกไปนี่แกสงบมากเหมือนกับหลับไปและที่แปลกคือช่วงเดสุดท้ายนี่แกไม่เคยปวดถึงเข้าโรงพยาบาลก็เป็นไปได้ว่าเนี่ย การที่แกได้คุยได้ย้อนระ ล, ลึกนึถึงอดีตที่น่าภาคภูมิใจของแกเนี่ยมันก็ทําให้แกเกิดปิตินะไอ้ความปวดมันก็เลยไม่ค่อยมาคุกคามหรือว่ารบ ก, กวนเท่าไหร่เพราะฉในการชวนคนไข้นะให้ระลึกถึงความดีสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือพูดให้เขาฟังก็ไนดะ้พูดเขาฟังว่าเราภาคภูมิใจอย่างไรนะเราภาคภูมิใจเขาอย่างไร เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมมาพูดแล้ก็ฟังเนี่ยอย่าพูด ล, ลอยๆเนี่ยมันจะเพื่อทําให้เขาเนีเกิดความภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็คนเราถ้าภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมามันพร้อมพร้อมเสียไปก็ถือว่าเรียกว่าเรียกว่าไม่เสียชาดเกิดคราวนี้อันนี้เรียกเรียกรวมๆว่าสรุปง่ายๆว่าให้นิถึงพระนะประการต่อมา สรุสั้นๆว่าละทุกสิ่งนนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งละอะไรนะก็หมายว่าปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ให้มีความห่วงหาอะไรหรือว่าไม่ให้มีสิ่งค้างคาใจหลายคนตายไม่สนิทหลายคนตายตาไม่หลับเพราะว่าห่วงลูกนะห่วงพินัยกรรมยังไม่ได้ทำนะ มีคุณลุงกัน้องแก่ล้างไตอยู่เป็นประจํามาหลายปีแล้วแล้วแกก็รู้ว่าแกคงจะดูได้ไม่นานนะล้างแบบนี้คงล้างไม่ได้ไม่ไไมนานนะบอกให้ลูกไปเรียกพี่ตาในความมาตะ ท, ทำที่ไหนกรับลูกนี่กลับมองว่านี่เป็นล้างร้ายก็เลยแกล้งทำเป็นลืมแกไปล้างไตยอยู่สองสามเดนต่อมาแกไปล้างไต แกก็ล้างทุกประจํามาทุกพฤศิแต่ว่าสองสาเดือนผ่านมาเนี่ยต่อมาเนี่ยแกไปล้างแต่ผมก็แกช็อกนะเสียความดันเรียกว่าเสื่อมสมองแตกก็ปั้งอยู่สองวันไม่สําเร็จเยืะ อ, อยู่สองวันไม่สําเร็จตอนที่แกตายแกนหน้านี่คืขอขมวดแสดงว่าอนะสดงว่าผมมีความกังวลแล้วก็จะวว่าปเป็นเรื่องของปัญญาการนั้นเนี่ยถือว่าเราพยายามช่วยเขาปวดเพื่อสิ่งทั้งขาใจได้นะ ข้อเนี่ยถ้าบอกกับสามีถ้าบอกกับเมียที่กำลงังจะตายว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจะช่วยดูแลลูกให้นะอาการกสับกษาส่ายก็จะก็จะน้อยลงบางทีความรู้สึกผิดนะมันก็ทาให้คนไข้าตายไม่ได้หรือมีอาการทุรนทุรายหัวหน้เพยียบายนี่คืนมะเร็งปอ อาการแกเทียมหนักแล้วอาไว้ว่าร่างกแย่หมดแนละ้วแต่แกไม่ยอมตายตายแกก็เปิดเบิกค้างคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีอาการอนแสดงว่าเขาเข า, เขามีอะไรบางอย่างเขาจึงไม่ยอมตายแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยรุ่นน้องพยาบาลก็มาแกรวบรวมกําลังแกเป็นเร็งปอดนะี่ยรวบรวมกาลังเนี่ยเพื่อที่จะพูดพูดอะไรขอโทษ ขอโทษพยาบาลคุนนี้ที่เคยทําไม่ดีไว้มากเพราะเคยเข้าใจว่าแกเป็นพี่กับสามีแล้วก็รู้ว่าเข้าใจผิดแย่จะขอโทษรุ่นน้องนั่นก็บอกว่าอาหนูเข้าใจพี่นะหนูไม่โกรธพี่เลยหนูให้อภัยพี่แกสบายใจนะแกก็หลับตาแล้ววันนั้นแกก็ไป จะตายไม่ได้พวกแกยมีความรู้สึกผิดนะอยากจะขอโทษบางคนเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรนะ่าตอาจจะห่วงอย่างอื่นห่วงงานมีรุงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ธรรมธมโมแกชอบชวนคนไปสร้างโบสถ์ไปไปต่างจังหวัดนะไปทอดกระถินทอดพระปาเพื่อสร้างบนสร้างวิหารในวัดไกลๆกลกันดา แล้วมันจะเป็นมะเร็งแลมะเร็งทียจเป็นก็ราเนเดิมมาจนขั้งใจอยู่เนี้ยสุดท้ายตอนใกล้ท้ายจะมีการกระสับกระส่ายกระตุกกระตุกลูกหลาเนเห็นว่าแกเป็นคนธรรมะธรโมที่ว่าถ้าฟังเทศธรรมะหรือว่าพระสวด ม, มนจะดีขึ้นพอกขาเปิดไปแล้วแกก็ยังกระสับกระส่ายก็แปลกใจทำไม็นธรรมะธรโมฟังเทศธรรมะพระสวด ม, มนก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยไรๆบอกว่าไรนั้นไม่นานเนี่ยเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็ไปพูดกับผู้ป่วยแล้บอกว่าโบ่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้นไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จอาการก็ะฉับกระชาหายเลยแสดงว่าคําพูดของเพื่อนเนี่ยโดนโดนใจแกคือแกคงจะห่วงนะห่วงว่าโบ่ยจะสร้างไม่เสร็จ ให้การสร้างบุญจะเป็นของดีนะเป็นมหาบุญสลนะแต่ถ้ายึดมั่นถือมันไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยมันเป็นทุกข์นะตายทาให้ตายไม่ดีก็ได้อันนี้เรียกว่าทําผิดในสิ่งที่ถูกนะคื อ, อยังยึดติดในความดีถึงเวลาต้องปล่อยวางแค่ปล่อยวางไม่ได้แต่ว่าพอเพื่อนพูดอย่างนี้แกมเหมือนกับยกภูเขาจากโขดอันนี้เรียกว่ายัางยังคายัางติดค้างเรื่องงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรารู้เนี่ยพยายามช่วยคนไข้ในเวลาเขาคนใกล้ตายเนี่ยแล้วเาไม่ยอมตายก็จะมีการบางอย่างที่พอจะให้สังเกตได้เช่นกระสรับกระส่ายให้ยาลกงับปวดไปแล้วุางทีแค่15บห้านาทีนะนะั่นน่ะนิ่งแค่15นาทีแล้วก็มากระสรับกระส่ายใหม่นะสองตาเบิกโพรงทั้งที่เอวยางตางแยงแลนะ้วสามน้ำตาไหล หรือบางทีก็อร า, ารวาสะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่โคม่มาก็อร า, ารวาสนะอย่างที่เล่าไปเมื่อเช้าแต่เสียอาการนี่เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นต้องรู้ต้องเดาว่ามันมีอาการทางใจไม่ใช่เรื่องของกายนะโคม่านี่น้ำตาไหลได้นะเพื่อตามานเนี่ยไอ้หลานหลานของเพื่อตามานเนี่ยอายุยี่สิกว่าขับรถไปชนเสาไฟฟ้าที่ประจวบนะ ตอนออกมาจากรถยังยังยังรู้สึกตัวได้ปกตินะเดินได้ปกติไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเรียกว่าสุดเลยนะสมองกระแทกสมองก็ค่อยตายพอสมองพอพอสมองตายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเวลาแม่มาเยี่ยนเนี่ยแกจะร้องไห้แกจะมีน้ําตาไหลเฉพาะแม่คนเดียวที่ ท, ที่มีอาการแบบนี้ที่แกมีอาการแบบนี้ คุยกันในหมู่ญาติพี่น้องก็ดาว่าแม่ก็บอกเนี่ยเคยแกเคยรับปากว่าคนไท้เคยรับปากว่าส่งมือเรียนจบแล้วจะส่งเสียน้องนี่จบไม่ได้แค่สองคำเดือนปริีโทมาเป็นเ่าเปลนไปซะแล้วแกคงรู้สึกผิดนะก็เลยแนะนําแม่เนให้ไปบอกกับคนไท้ว่าแม่จะรับเลี้ยงจะดูแลส่งเสียน้องเองไม่ต้องห่วง เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเห็นได้เลยนะคือคือว่าน้ำตาก็หยดไหลแล้วก็วันนั้นก็ไปหลังจากที่ไม่ยือมาหรือไม่ยอมตายมาหลายวันอันนี้เราละทุกสิ่ง น, ะนึกถึงพาพละทุกสิ่งใช้ได้นะกับ9 9ก็ว่าได้เวลาคนใกล้ตายเนี่ยพอมาช่วยทำให้เขาเนี่ยหนึ่งเป็นจิตเป็นกุศลสองทำให้เขาเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมเกิดความอะไรอวอร์หรือความรู้สึกผิดซึ่งทำให้เขาแปบปัญหาทีนี้บางทีคนไข้เนี่ยเขาพร้อมจะไปแล้วแต่ญาติเนี่ยไม่พร้อมนะอาจารย์อาจารย์พรหมวังโสนะเล่าว่าเคยไปเยี่ยมจากพรหมวังโสานนจะเป็นพระอังกฤษนะแต่เรื่องที่เราอนออสเตรเลีย ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสตฟเนี่ยป่วยมานานแล้วไม่ยอมตายสักทีคือหมอเนีเขาจะรู้ได้ว่าคนไข้ควรจะตายแต่ไม่ยอมตายเพราะสัญญาณชีพมันบอก้วท่านก็ไปเยี่ยมก็ไปเห็นภรรยาอยู่ข้างๆท่านคุยกับสตตฟสัพั ก, กแล้วก็คุยกับภรรยาว่าอนุญาตให้สามีตายเรีอยังผู้หญิงอึ้องเลยนะ แล้วแกก็นึกขึ้นมาได้ผู้หญิงก็ขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ไปรูปหัวสามีแล้วก็บอกสามีว่าเนี่ยว่าเอาที่ให้ตายได้แล้ะคนไข้ไปเลยนะอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของดีเจคนหนึ่งนะชื่อดีเจโจ้เมื่อสีกว่าปีก่อนจะดังมากแล้วแกก็เป็นมะเร็งแล้วแกก็เป็นมะเร็งแล้วก็เร็วมากเลยนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย แกโคมา่านหมอบอกแกเนี่ยหัวใจแข็งแรงมากเอาไว้ย่างตานเนี่ยปอดตับตายนี่แย่แลยนะหัวใจยังเต้นข้างข้าเนี่ยเป็นภรรยาเออเียเป็นภรรยาแฟนสาวรักปรมาสิกบกว่าปียังไม่ทันแต่งงานไปเ ล, ลนหอก็สร้างเสร็จและสิบกว่าล้านภรรยาเออแฟนสาวร้องโหมร้องไห้โจ้สู้นะโจอ้อย่าเพิ่งตายโจ้สู้เอาไว้เข้มแข็งเอาไว้ แต่หลังจากที่คนไข้ก็พังงาพังงาขึ้นมาหลายวันแก้คงแก้ผู้หญิงควรจะทําใจได้ออก็จะบอกโจ้ถ้าเธอจะไป้าไปชนะไม่ต้องห่วงฉันเพราะว่าหัวใจโจ้ติดเต้นเลยนะติดเต้นเบางทีคนไข้เนี่ยก็พร้อมจะไปแต่แต่เข้าไปไม่ได้เพราะคนที่ยังอยู่ยังไม่ยอมหรือว่ า, ย, ายังยื้อเข้าไว้คุณยายคนนึงนะจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหัวใจก็หยุดเต้น ปา้มเงนขึ้นมาแล้วก็แกก็โค ม, ม่าเนยจยเป็นผักไปเลยไม่ตอบสนองแต่แกมันคนมีน้ำใจมากนะเพื่อนบ้านมาเยี่ยมก็จะพูดว่าเนี่ยหายไวายๆนะจะได้กลับไปเล่นไปเที่ยวกันไปคุยสนุกสนานะแกก็ยังไม่ตอบสนองผ่านไปเป็นเดือนนะวันหนึ่งลูกชายเนะี่ยซึ่งดูแลแม่มาตลอดพลิกตัวแม่เห็นน้ำตาไหล ตองหอใจเลยถามแม่แม่แม่เหนือแม่แม่ทรมานไหมถ้าแม่เหนือแม่ทรมานแม่ไปเลยนะไม่ต้องห่วมผมแล้วก็ชวนแม่นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทําทุกวันแต่คราวนี้เนี่ยทําไปได้ห้ทีชิ้นงานชีพแม่แบนล่าไปเลยหมือนกับว่าพร้อมและพร้อมตลอดเวลาแต่ว่าจะไม่ไปเพราะว่ากลัวเพื่อนบ้านมางห่ะกลัวหรือไม่อยากจะ คือไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าเขาอยากจะให้เราอยู่ก็ต้องพยายามอยู่เพื่อเขาแต่พอลูกชายบอกว่าแม่ไปได้เลยนะให้ไฟเขียวแล้วเธอก็ไปเลยที่ร้านยังแปลกนะเป็นหมอนะไปทํางานที่เมืองนอกหลายปีวันหนึ่งได้ข่าวแม่ป่วยนะแกรีบบินมาเลยนะอยู่กับแม่ได้สองวันแม่ก็ปวใจจิตเต้น โอ้แกทำใจไม่ได้ในะขนาดหมอใหญ่นะเนี่ยเห็นคนตามเยอะแต่พอแม่เดิดตายทำใจไนมะ่แก่แกพร่อมตัวแม่ก็พยายามแล้วก็แม่ทําไมรลบตายแม่อยู่ย่าเพิ่งตายผมมาผมเพิ่งมาจากอเมริกาแม่อยู่ผมให้นานกว่านี้แม่กลับมาแม่กลับมาใครเด็ก okay, ก็มีการปัลมไปด้วยนะพระกอบฟื้นนะพอแม่กับลูกอยู่กันสองแม่ก็เล่าว่าตอนที่หัวใจอยู่เต้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะ เสร็จแล้วสภาพมึงเห็นแสงสว่างข้างหน้าเหมือนกับแสงสว่างองค์โมแล้วมือนก็ว่ากาลังเดินไปที่แสงนั้นอ่ะมันเย็นมันสงบมากเนยแล้วสภาพก็ได้ยินเสียงสักอย่างหนึ่งก็เลยกลับขามาอีกทีก็รู้ก็รู้สึกตัวอีกทีก็ฟื้นแล้วแม่ก็เลยพูขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ใครเลียกแม่กลับมาลูกก็บอกผมไงแม่ผมเรียกแม่กลับมาเนี่ยพูดด้วยพูดด้วยความดีใจ แม่บอกที่หลังยเรื่อแม่กทำไมนะแม่สบายแนละ้วสบายแนะล้วเรื่อยทำไมนะอะหลายครั้งเนี่ยคนบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาพร้อมจะไปแต่คนที่ไม่ยอมก็คือคนดูแลยากอีกราย น, น่าสนใจมากนะเตวุท า, าหอยดีๆอ๊ะ ก, กงเนี่ยอายุเ ก, ก้าสิบหกแกก็หงอมเต็มทีแล้วนะ อยู่โรงพยาบาลเนี่ยสัญญาณชีพม่ค่อยลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะก็รอเพียงแค่เป็นวันน่แหละหรือว่าเป็นอาทิตย์นะนะหลานมาเยี่ยมหลานก็จะพูดเลยเอากงอยู่ให้ครบร้อยนะเพราะแค่นี้แหละแกจะพัดพัขึ้นมลนนะแต่ทีเ่เคยสงบสงบนะมันจะมีอาการไฟเกับเครื่องแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ยอมตายจะสู้จะสู้ออกบความตายถ้ามันทรมานนะ คนไข่หลายคนจะบอกเอ้ยญาติเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะพูดกับคนไข้ว่าสู้ๆนะคนไข้หลายคนไม่ชอบนะคนไข้หลายคนไม่ชอบคำนี้คนนี้ชื่อกันเนี่ยธรรมาพุทธมัง ม, ม, มชาเนี่ยแกบอกเลยว่าการพยายามการพยายามที่จะทําตัวให้เข้มแข็งเนี่ยมันบั่นทอน กำลังมากเยมันเหนื่อยล้ามากการที่เป็นตัวตัวเองเนี่ยอ่อนแอให้ใครเห็นเนี่ยมันมันดีกว่าเยอะเลยเธอไม่ชอบคําว่าสู้นะสู้สูซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับคนป่วยหลายๆคนพวกเราเนี่ยไม่รู้นะไม่ค่อยไม่รู้นะไอ้คำว่าสู้สู้เนี่ยสาหรับคนไข้เนี่ยหลายคนเนี่ย เขไม่ชอบแล้วก็เป็นทุกข์มากหลายคนก็จะบอกว่าพอยดีเองครไม่เคยบอกก็กูก็สู้อยู่แล้วอ่ะพูดในใจนะหรือบางคนบอกว่ามึงมาเป็นกูเนี่ยะจะรู้ว่าเป็นยังไงเราบอกให้เข้มแข็งให้สู้เนะี่ยลองมาเป็นกะูเถอะอะไรคนก็จะเขาจะพูดนะเขาจะเปิดออกเลยนะลองมาเป็นชั้นเถอนะจะได้รู้นะแต่ ก, กรณีการกระบว่าการที่เธอต้องทําตัวเวลาบอกให้สู้สเนี่ยทําให้เธอต้องเข้มแข็งเอาไว้ ไม่ให้คนผิดหวังแต่ความพยายามที่จะสู้ของเธอเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยเพเธอนี่ล้ามากให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยดีกว่านะแล้วก็สุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นการถลัรคนที่ระยะท้ายจริงเนี่ยก็คือกล่าวคำอำลาและบอกความในใจนะก่อนจะตายเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่นึกถึงพาราและสุสิ่งก็ใทำทําไะ อีกครั้งหนึงทำต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีทําเพิ่มเติมเช่นชวนเขาขอเข้ามาขอเข้ามาซึ่งกันและกันเราขอเข้ามาเขาให้แล้วก็บอยเขาขอเข้ามาเราเราก็พูดไม่ได้เราก็พูดให้เขาฟังให้เขาว่าตามในใจอาจจะชวนเขารับศีลชวนเขารับนตยสรณาคมไอ้พวกนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกันึกถึงพระแล้วก็รักทุกสิ่งกันนะแต่บอกอันนี้เพิ่อคุยบอกความในใจเช่นบอกรักเขาขอบคุณเขา นะสำคัญมากเลยนะหลายคนเนี่ยได้ทำสิ่งดีๆเนี่ยตอนเวลาสุดท้ายดูยการที่ลูกได้กอดแม่ได้กอดพ่อแล้วบอกว่ารักพ่อบางทีเนี่ยคือสิ่งที่คนไข้ต้องการหรือว่าฟังแล้วเนี่ยมันมันชุบชูใจมองคนเขาเรียกหานะคนไข้คนหนึ่งเนี่ ย, คคน เ, นยเป็นมะเร็งสามเดือนท้ายสุดท้ายเนี่ยแกจะถามภรรยายนันแหลแม่ แม่รักพ่อไหมแม่แม่รักพ่อภรรยานี่เป็นแม่ค้ารวยใหญ่แกจะห้าวไามแกไม่ยอมตอบสามาสุดท้ายเนี่ยขณะที่ยังพูดได้เนี่ยแกก็ถามอีกแม่แม่รักพ่อไหัตอนนี้ภรรยาลำคาบขึ้นเสียงอยีากจะ บ, บ้าหรือไงถ้าไม่รักกันจะอยู่ได้ไงตั้ง25ิบ้าปีนายาญ้าคิดว่าฉันก็ลักเธอนะ แต่ว่าไม่เคยพูดเนี่ยพูดละเขิเรื่องเป็นเพราะว่าไม่เคยพูดฉันกับเธอมีแตะกูกับมึงจะบอกว่ากูรักมึงก็อะไรอยู่แต่ว่าได้น ะ, ะมามาว่าได้นะพอตายพอพอผัวตายแกก็มานั่งเศร้าผ่านไปเป็นปีแกก็เวลาคุยเรื่องนี้แกแก็ยังร้องไหาเพราะทำไมสามคำเนี่ยพูดไม่ได้มันต้อใช้ความกล้านนะไอการพูดบอกรักเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลย แล้วไม่ใช่เฉพาะผัวกับเมียสามีภรรยาลูกกับแม่หรือลูกกับพ่อเนี่ยบางทีพูดไม่ออกนะอาตมาเคยเจอมาแล้วนะแนะนําลูกซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จักนะไปเยี่ยมเป็นจิตอาสาแนะนําลูกให้พูดกับแม่แม่ก็กนเนี่ยตายอายุเจ็สิบกว่าลูกก็ห้าสิบแล้วลูกไม่ยอมพูดก็เลยแต่หวังว่าพออาตมาไม่อยู่ลูกจะพูดบางทีขัดเกลือนี่ย บางทีคนข้าก็ต้องการนะเขารอมีคุณป้าคนห น, นึ น, นั่งซื้ออยู่ข้างเตียงรพยาบาลถามเป็นอะไรหรือเธอก็ตอบว่าที่สามีป่วยจนโค ม, ม่าเนี่ยเธอก็ทำใจได้แล้วนะแต่ทำใจไม่ได้เหตุที่ทำใจไม่ได้คืออยู่กันมาต้องนา น, นไม่เคยบอกรักเลยแม้แต่คำเดียวตอนนี้มาเสียใจ วอาสายไปแล้วพยาบาลบอกจะไม่สายเขายังรับรู้ได้มีอะไรอยากบอกบอกซะพอพยาบาลไม่อยู่แกก็ลูกลกําลังนั้นแล้วก็บอกสา ม, มีนะบอเนี่ยฉันโชคดีมาก ท, ที่ได้อยู่กับเธอตลอดเวลาที่สอยู่กันมาสาสิบปีฉันมีความสุขมากอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอนะแล้วก็คงอยู่ได้ยากถ้าไม่มีเธอแต่ก็ไม่ให้เธอทรมานถ้าเธอจะไปก็ไ ป, ไปเถอะ พอพูดจบแล้วคนไข้เนี่ยหายใจเพลือกใหญ่แล้วก็ไปมืนก็เขารอนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการแค่คำการคำให้อนุญาตแบบสตรีมนะกรอนสตีต้าที่เขารอไม่ใช่คำขอคำอนุญาตแต่เขารอคําบอกรักนะบางคนเขารอลูกกลับมาจากเมืองนอกบางคนรอหลานรับปริญญานะบางคนรอให้ลูกไปทําสังฆทาน พอรูปมาบอกว่าทำทางก ท, า, ท, า, ท, า, ทาเสร็จแล้วเนี่ยไปเลยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญส่วนคือว่านึกถึงพารและทุกสิ่งนะแล้วก็บอกความเดใจทั้งหมดนี้เนี่ยนะพูดได้ทำได้ไม่เฉพาะคนไข้ที่รู้สึกตัวคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวโคมา่าเป็นผักก็ยังได้นะท่านอาจารย์อมาโรเรา ยายของท่านเนี่ยซึ่งอายุเป็นลอยนะตัวท่านจํำรงมกับหกสิบเข้าไปแล้วเป็นผักมาสิบปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยหมอพบว่าละอ ว, วัทยะบางส่วนเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วมันต้องผ่าตัดใหญ่ปรึกษากันในหมู่ลูกลูกลูกลกตกลงกันว่าไม่ผ่าตอนที่คุยกันเนี่ยตอนที่ตกลงกันเนี่ยก็คงตกลงอยู่ในห้อง น, นะห้องของยาย พอตกลงว่าไม่ผ่าเนี่ยยายเนี่ยซึ่งเป็นผักมาสี่ปีเนนะแล้วไม่เคยพูดอะไรเนี่ยก็พูดขึ้นมาประโยคคำหนึ่ง thank you thank you นสะี่ปีพูดคำเดียว thank you, thank you เป็นผักนะแสงว่าอนะไรแงว่ารับรู้ตลอดรับรู้ว่าคุยอะไรกันใช่แล้วก็ดีใจว่าเออไม่ต้องยื้อแล้วฉันพร้อมไปแล้วแล้วก็ไม่กีว่วันนั้นก็ไป คนที่เป็นผังเนี่ยเขารับรู้ได้โคม่า ก, ก็รับรู้ได้นะเพราะนั้นเวลาทําน่ยที่พูดมาทั้งหมดทํากับเขาได้แม้เขาจะไม่ตอบสนองแม้กระทั่งตายไปแล้วเนี่ยนะก็ยังรับรู้ได้นะแล้วบางทีมีอะไรแปลกๆนะอพวกเราได้รู้จักสักชัยกายใช่ไหมสักชัยกายเนี่ย เขาเล่าว่ารุ่นน้องเขาในชื่อเป็ดเป็นช่างทําผมอ่ะเป็นบรรเลงแล้วก็มีช่วงที่แกไม่ได้มีไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ไปเยี่ยมเป็ดมาเป็นอาทิตย์เนี่ยวันหนึ่งประมาณเที่ยงก็ได้โทรศสา์กับเป็ดบอกว่าพี่หนูมาลาพี่นะแกใช้เกลือตัวว่าหนูนะแกจะไปไหนหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้ไม่นาน หนูจะลาพี่แล้วเฮ้ย hey, เสียงแกองดีอยู่เลยแกไปไหนไม่รู้ล่ะถ้าพี่อยากอยากจะเจอก็รีบมาซะแกก็เลยรีบขับรถไปโรงพยาบาลไปถึงนั่นบ่ายสองไปเจอเห็นไปเป็ดโคมา่าล่ะสักช้ก็เลยถามว่าเฮ้ยโคม่าแกเมื่ อ, อไหร่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยคําตอบคือว่าโคม่าแกตีสองเอเฮ แล้วเมื่อกี้เป็ดโทรมาโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนก็ไมมีใครแตะต้องโทรศัพท์เป็ดเลยแล้วโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนอยู่ในก๊ะเปิดมาเปิดดูปรากว่ามีการกระขอว่าโทรมหาศักชัยเที่ยงสองนาทีตรงกันเลยโทรศัพท์ของศักชัยก็มี ม, มีกระขอว่าเป็ดโทรมาเป็ดโทรได้ยังไง ตัวเนี่ยนอนอยู่แล้วโคม่าด้วยนะนนี้แปลว่าแนะปลว่าโคม่าเนี่ยก็ยังยังรู้เรื่องแต่ที่มันแปลคือสามารถโทรศัพท์ได้แต่ที่แปลกันนั้นนะอาตมาเพิ่งได้เ พ, พิ่งได้เมสเซจเมื่อเช้านี้คนที่ชื่อธเนศเรศพราดาเนี่จากม้เขาบอกว่าในวั น, น, น, นเนี้ย7มีนาเนี่ยวันครบรอบปีของเหตุการณ์ เมื่อตีสามของวันที่เจ็ดมีนาคมที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์มีโทรศัพท์ดังนะแกรับโทรศัพท์ปรากด้เสีย ง, งนะเสียงน้องนะเสียงน้องนะซึ่งป่วยควว่อยาเสียงขุกขักขุกขักนะแล้วก็เสียงคอนะเสียงหายใจฟูดฟาดฟาดมีเสียงเครื่องเครื่องช่วยหายใจแกรูปรูปพูดไปเลยนะบอกว่าเนี่ยบอกว่าเหมือนจนะทะเลาะรีบๆพูดแล้วก็บอกว่า ว่าใกล้จะไปแล้วนะขอปล่อยวางนะให้ราได้ถึงพระพูดก็รรมพระสงฆ์เอาไว้นะให้เรึถึงความดีที่ได้ทำพูดประมาณสินาทีจู่ๆก็มีเสียงพยาบาลแซ่ขึ้นมาว่าคุณพูดกับใครคะเขก็ตอบก็พูดกับน้องไงน้องคุณเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่ อ, อไร เพื่อส0นาทีนี่เองแปลว่านะแปลว่าตอนที่น้องตายเนี่ยน้องโทรศรัพท์มาหาแกมหาทาเน่แล้วชเน่ก็เลยพูดโทรศรัพท์นำทางนะจนกระทั่งเพยบาทแปกใจว่ามันมีเสียงออกมาจากโท ร, รพท์ได้ไงก็เลยโทรก็เลยพูดแซงแล้ ว, ว่าคุณพูดกับใคร อันนี้มันเนี่ยแสดงว่าคนตายเนี่ยนะเขายังรับรู้ได้แล้วเขาก็พยายามสื่อสื่อกับพี่ชายสื่อทางไหนสื่อทางโทรศัพท์และเคสแบบนี้อาตมาเจอเยอะนะนะทั้งใกล้ตัวและไกลตัว ท, ที่ที่ยิ่งกว่านี้ยังยังมีอะไรแต่ว่าไม่ไม่พูดละเสียเวลาไม่มั น, นไม่มีเวลานะคือตายไปหลายวันแล้วเนี่ยยังโทรศัพท์มาหาได้ เอาไว้พูดกันตอนตอนบายแล้วกันตอนตอนี้มันลเย็นแลยนะนะเอาเป็นว่านะตายแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่สายที่เราจะพูดนำทางเขานะพูดนำทางเขาเขายังรับรู้ได้ตนกว่าจิตเขาจะแตกต่างหรือว่าไปเกิดใหม่ซึ่งเราก็ไม่ร่วมมืออะไรนะเอาเท่านี้แหละ